วันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ปดสักฎาคมพุทธศักราชสอง6ห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมได้มาวัดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเราว่าพวกเรานี้เกิดมาทำไมกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดกันว่าเราเกิดมาเพื่อหาความสุขจากสิ่งต่าง ที่มีอยู่ในโลกนี้คือโลกกรรมทั้งสี่ประการด้วยกันได้แก่ลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพชนิดต่างๆเราก็จะมุ่งไปสู่การหาโลกธรรมทั้งสี่นี้หาลาบก็คือหาเงินหาทองกัน ให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมาเพราะเงินทองนี้สามารถซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้นอกจากหาเงินหาทองแล้วก็หาความสุขจากยศจากตำแหน่งต่างๆเพราะการมียศมีตำแหน่งก็จะทำให้มีอำนาจ สามารถที่จะสั่งการอะไรต่างๆตามความต้องการเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองได้แล้วก็แสวงหาสรรเสริญคือการยกย่องด้วยการมอบรางวัลให้ร า, รางวัลชนิดต่างๆรางวัลเกียรติยศต่างๆ เหรีหยญต่างๆเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงเป็นต้นเวลาได้รับเหรียญได้รับรางวัลก็ได้ความสุขกันแล้วก็ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกรินกายไปดูสิ่งแปลกใหม่ๆ ไปฟังเสียงแปลกๆใหม่ๆไปริมรถดมกลิ่นสัมผัสกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ชีวิตก็จะหนกมุ่นอยู่กับการแสวงหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้าไปจนกว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บแล้วก็จะตายไปพอร่างกายตายไปก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปส่วนใหญ่ก็จะคิดกันว่า เมื่อร่างกายตายไปแล้วชีวิตของเราก็สิ้นสุดลงความเป็นอะไรของเราก็สิ้นสุดลงคือเราผู้กระทําการต่างๆนี้ก็จะจบลงไปพร้อมๆกับการตายของร่างกายท่านี้จะเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็จะคิดว่าชีวิตก็อยู่ที่ร่างกายตัวตนของเราก็อยู่ที่ร่างกายพอร่างกายตายไปตัวตนเราก็หมดไปไม่มีอะไรตามมาอีกต่อไปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เพราะฉะนั้นกายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องแสวงหารากยศสารเสริมสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และไม่ว่าจะได้โดวยวิธีใดก็ตามถ้าหาได้โดวยวิธีสุดจริญก็จะหาไปถ้าต้องหาด้วยวิธีทุจริตผิดศีลธรรมผิดกฎหมายก็จะต้องหาก็จะต้องทำไป อย่างมากก็แค่ติดทุกติดตารางถ้าถูกจับได้แต่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้ไม่รู้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่มีความสำคัญเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็คิดว่าคงจะไม่มีคงจะเป็นเรื่องของความงมงายนี่คือลักษณะของคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟัง เขาทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพระปัญญามีความรู้ความเห็นที่ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปพระพุทธเจ้านี้ทรงตัดสั้ธทรมันประเสริฐความรู้อันประเสริฐ ยิ่งใหญ่กว่าความรู้ที่มีอยู่ทั้งหลายในโลกนี้ความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์รู้เรื่องภูมิศาสตร์รู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ ขอบคุมทุกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความจริงที่ทางโลกนี้ยังไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ก็มีอยู่ก็คือความจริงเกี่ยวกับจิตใจนี้เองความจริงของจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ได้อยู่ในร่างกายเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ได้คิดกันนักวิทยาศาสตร์หรือบรรดานักศึกษาแพทยาศาสตร์ก็จะไปคิดว่าจิตใจผู้มีความรู้สึกนักคิดนี้อยู่ในสมองอยู่ณนะอยู่ตามประสา ต, ต่างๆของร่างกายอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง เพราะความเป็นจริงแล้วจิตใจหรือผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นส่วนประกอบของร่างกายเป็นเพียงเป็นผู้ที่ได้มาเชื่อมต่อกับร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ ผานความคิดเห็นต่างๆนี้ก่อนที่ร่างกายจะขยับขยื่นทาอะไรได้ต้องมีคำสั่งจากใจเสียก่อนจากผู้รู้ผู้คิดนี้เสียก่อนผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปหาความสุขจากราบยศสนรสิจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ่าต่างๆ พ่อคิดว่าเป็นวิธีการหาความสุขที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้จากการที่มีร่างกายอันนี้แต่การหาความสุขผ่านทางร่างกายหาโลกธรรมทั้งสี่คือหาลาบยศสารเสริญสุขนี้ เป็นการหาความสุขที่จะต้องจบลงด้วยความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆคือโลกกระททั้งสี่นี้ราบยศสรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดภพะชนิดต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเวลาที่เกิดการเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดความเจริญก็ทำให้ผู้ที่ได้มาครอบครองนั้นมีความสุขแต่เวลาที่เกิดความเสื่อมเกิดการสิ้นสุดลงเวลานั้นก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากมาย อันนี้คือสิ่งที่คนในโลกนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะ ก, กันจะมองไม่เห็นจะมองเห็นเพียงแต่ด้านเดียวคือด้านของความสุขถ้าเห็นความสุขจากการที่ได้ลาบยศสรรเสริญได้เศษเลือดเสียงกิน่นรสศพพภะชนิกตงางๆ แต่กลับมองไม่เห็นว่ามันเป็นความสุขประเดี่ยวกระดาวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องไปหามาใหม่มาทดแทนก็ต้องคอยนิ่นันไปหาสิ่งต่างๆมาเสพมาสัมผัสอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขเวลาใดที่เกิดอุปสรรค ที่ไม่สามารถที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาเสกได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเองแล้วอีกอย่างหนึ่งคือร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตาย เป็นธรรมดาเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายนี้ก็จะเป็นเวลาที่จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจเพราะว่าจะไม่สามารถที่จะไปหาลาบยศเสริญและรูปเสียงกลิ่นลดโหพถะชนิดต่างๆมาเสดได้นั่นเอง นี่แหละคือความทุกข์ของการที่มาเกิดกันโดยที่มองไม่เห็นกันเพราะไม่ฉลาดไม่รอบคอบมองเพียงด้านเดียวคือไม่พลิกกลับขึ้นมาดูอีกด้านหนึ่งของที่คว่มอยู่นี่เราจะเห็นแต่ส่วนที่หงายขึ้นแต่ส่วนที่คว่มอยู่นี่เราจะมองไม่เห็น ถ้าเราไม่พลิกมันขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นส่วนที่ความอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรคนฉลาดนี้จะไม่มองเพียงด้านเดียวของชีวิตจะมองทั้งสองด้านคือมีด้านบวกแล้วก็ต้องแล้วก็มีด้านลบคนกคนไม่ฉลาดนี้จะพยายามไม่ยอมมองด้านลบกัน เพราะว่าเวลามองเห็นด้านลบแล้วมันทำให้เกิดความหดหู่ใจเกิดความไม่สบายใจจึงเลยไม่กล้ามองด้านลบกันไม่กล้ามองถึงความเป็นจริงที่อาจจะเกิดได้ว่าเราร่ำเรารวยวันนี้วันข้างหน้าเราอาจจะยากจนก็ได้เรามียศมีตำแหน่งในวันนี้ วันพรุ่งนี้เราก็อาจจะหมดยศหมดตําแหน่งก็ได้เรามีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอ่อมีคนคอยให้รางวี่รางวัลอะไรต่างๆในวันนี้วันในวันข้างหน้าเราอาจจะไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเราก็ได้นอกจากไม่ยกย่องแล้วอาจจะมีการตําหนิตีเตียนนิ น, นทา ว, า, าว่ากล่าวต่างๆก็ได้ ความสุขที่เราหาได้จากรูปเสียงกลิรสสัต์สัพในวันนี้วันข้างหน้าเราก็อาจจะหาไม่ได้ก็ได้นี่คือด้านลบที่ของชีวิตที่ไม่มีใครอยากจะมองไม่มีใครอยากจะคิดกันเมื่อไม่มองไม่คิดก็เลยหลงไปกับด้านบวกคิดว่าชีวิตนี้จะเป็นไปแต่เรื่องดีๆไปตลอด เวลาใดที่เกิดเรื่องไม่ไดีขึ้นมาแทนที่จะศึกษาหาวิธีแก้ไขก็ไปอาศัยความงมงายเป็นวิธีแก้ไขเวลามีปัญหาชีวิตก็มักจะไปหาหมอดูกันไปหาสินแสกันไปหาสารเจ้ากันไปหาวัดไปหาพระพุทธรูปกันแล้วก็ไปกราบไปขอ พรจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนี้มันหายไปอย่าให้มันเข้ามาสู่ชีวิตเราเลยขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเข้ามาในชีวิตของเราเพียงอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าการขอนี้ มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการนั้นปรากฏขึ้นมาได้มันต้องเกิดจากการกระทาต้องย้อนไปดูต้นสาเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาที่ที่เหตุนั้น<ม>เหตุอะไรที่ทำให้เราจะต้องมาเจอกับความทุกข์ความเสื่อมต่าง เกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันอันนี้เราไม่รู้กันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันลึกที่มันยากกว่าสติปัญญาของปุตุชนอย่างพวกเรานี้จะมองเห็นได้จะต้องอาศัยคนที่มีสติปัญญาที่แหลมคมที่เฉลยกฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าท่า น, นที่มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดที่แหลมคมที่รอบคอบที่สามารถมองเห็นความจริงต่างๆของชีวิตได้มองเห็นทั้งด้านบวกและมองเห็นทั้งด้านลบ และมองเห็นทั้งเหตุที่พาให้มาเกิดกับปัญหาต่างๆเหล่านี้และมองเห็นวิธีเลือเหตุที่จะทำให้แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้ น, นี้แหละคือความวิเศษของพระรันตนตรัยคือพระพุทธเจ้า พกะทำคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ถึงปัญหาของชีวิตและรู้วิธีแก้ปัญหาของชีวิตนี้ได้อย่างราบคาบได้อย่างหมดจดนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าชีวิตของพวกเราที่แท้จริงนั้นควรจะทำอะไรกันควรจะทำอย่างที่เราเชื่อกันทำกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายและเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงก็คือการไปหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญ และความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาชนิดต่างๆแล้วก็จะต้องมาเจอกับความเศร้าเวลาที่เจอกับความเสื่อมของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาและของร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเหล่านี้และความสุขต่างๆเหล่านี้ หามาได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถเก็บไว้ในใจได้มันหามาได้ปั๊บน่าเดีียวมันก็หายไปเวลาสัมผัสก็เกิดความสุขพอไม่ได้สัมผัสความสุขนั้นก็จะหายไปปล่อยให้ใจผู้เสพความสุขนี้ต้องอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ เวลาที่ไม่ได้สัมผัสกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆและต่อให้ได้สัมผัสมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะเหลืออยู่แต่ความอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเรื่อด้เหลืออยู่แต่ความหิวความอยากที่จะต้องคอยหาคอยเสกอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละคือใจ ของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีธรรมะเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้ชี้แนะวิธีการดำเนินชีวิตที่ทถูกต้องก็จะมุ่งไปสู่การหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐะไปเรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุด หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นเพียงแต่ผู้มาเชื่อมต่อกับร่างกายเท่านั้นเองความจริงใจนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายร่างกายนี้อยู่ในโลกเราเรียกว่าโลกธาตุคือโลกที่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำนมไฟส่วนใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่ง เราเรียกว่าโลกทิพย์เพราะใจเป็นของทิพย์ใจเป็นของที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาจึงอยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้เป็นของที่ประกอบมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟจึงอยู่ในโลกธกาตุแต่ใจนี้ที่อยู่ในโลกทิพย์นี้ไม่รู้จักวิธีหาความสุขในโลกทิพย์ ก็เลยต้องมาหาความสุขทางโลกาธาตุผ่านทางร่างกายพอได้ร่างกายแล้วก็จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปการหาความสุขจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่ราบยศสารเสริญสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา โลกธรรมสี่มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นของมันมาคู่กันเป็นโลกธรรมแปดโลกธรรมสี่มีสองเป็นสี่คู่มีฝ่ายสุขและฝ่ายทุกข์เวลาเจริญราบยศสรเสริญสุขก็มีแต่ความสุขกันแต่พอราบยศเสริญสุขนี้เสื่อมลงทุกข์ก็ตามมาทันที น, นี่คือเรื่องของโลกทาตที่ใจผู้ไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงของตนเองนั้นเลยต้องมาหาความสุขจากการมีร่างกายการเชื่อมต่อกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆและการหาความสุขบางครั้งบางคราวก็อาจจะ หาโดยวิธีไม่สดจริตคือด้วยวิธีการทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการลักทรัพย์ช่อโกงด้วยการประพฤติผิดประเพณีด้วยการพูดปวดโกหกหลอกลวงการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำบาปที่จะมีผลต่อจิตใจที่เป็นกายทิพย์นี้ต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้ามีบาปที่มีที่มีอิทธิพลเหนือบุญบาปก็จะเป็นผู้ที่จะทำให้ใจที่อยู่ในโลกทิพย์นี้อยู่ในอยู่ในซีกที่มีแต่ความทุกข์ที่เรียกว่าอบายเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอสุรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาท เป็นนรกนี่คือสภาพของใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ทำบาปไว้มากกว่าทำบุญแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามในขณะที่มีชีวิตอยู่มีโอกาสที่ได้ทำบุญก็ทำกันมีโอกาสได้ช่วยเหลือใครทำคุณทำประโยชน์ให้กับใครก็ทำไป พอทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมีจากการได้ทําบุญบุญนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะทําให้ใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี้อยู่ในโลกทิพย์ที่เป็นความสุขเรียกที่เรียกว่าสุคติก็เป็นโลกของเทวดาขั้นต่างๆชั้นต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่การอยู่ในสวรรค์ก็ดีและอยู่ในอบายก็ดีของใจนั้นก็เป็นการอยู่แบบชั่วคราวอีกเหมือนกันขึ้น อ, อยู่กับกำลังของบุญและของบาปที่ส่งไปพอบาปที่ส่งให้ใจไปอยู่ในอบายนั้นหมดกำลังลงไม่สามารถส่งให้ไปอยู่ในอบายได้ใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่นเดียวกับบุญที่ส่งใจให้ไปเป็นเทวดาพอบุญหมดกำลังลงบุญก็จะใจก็จะเสื่อมลงมารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วพอได้รับร่างกายของมนุษย์ก็จะมาทำบุญทาบาปมาหาราบยศสารเสริญสุขกันใหม่นี่แหละที่เราเรียกการเวียนว่ายตายเกิด การเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดร่างกายนี้ตายไปแล้วตายไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดชาติหน่ากลับมาเกิดจะไม่ได้ร่างกายอันนี้อีกแล้วเพราะร่างกายนี้มันก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมของมันกลับคืนสู่ธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟไปแต่ใจผู้ที่ยังมีความหิวโหย มีความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดอยู่นี้พอพ้นจากบาปหรือบุญแล้วพออิทธิบุญอิทธิพลของบุญหรือบาปนี้ไม่สามารถที่จะส่งใจให้ไปอบายหรือไปสวรรค์ได้แล้วใจก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ แ้วพอได้ร่างกายอันใหม่มาก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมเหมือนกับคราวที่แล้วคราวที่ได้ร่างกายอันอันก่อนทําเหมือนกันทุกอย่างพนิสัยไม่ได้เปลี่ยนไปนิสัยของใจไม่ได้เปลี่ยนไปเคยชอบอะไรเคยอยากจะหาความสุขจากอะไรก็จะไปหาความสุขอย่างนั้นจะหาโดยวิธีใดเคยหาวิธีโดยทําบาปก็มักจะไปทําบาปเคยหาวิธี ทำโดยที่ไม่ทําบาปก็จะไปหาวิธีแบบนั้นไปเพราะมันเป็นเรื่องของนิสัยที่อยู่กับใจไ ม, ไม่ได้อยู่กับร่างกายร่างกายตายไปแล้วแต่ใจนี้นิสัยทุกอย่างที่พาให้ใจไปทําอะไรที่ไปทาอะไรต่างๆนี้มันไม่ได้เปลี่ยนไปมันก็จะเป็นตัวที่จะกาหนดให้มีการกระทา ต่างๆมีการกระทาบุญมีการกระทำบุ ญ, ารร บ, ญบาปต่อไปมีการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑะชนิดต่างๆ ต, ต, ต่อไปนี่ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดที่จะไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ถ้าเราไม่รู้สาเหตุที่จะทำให้เราทำให้ดวงวิญญาณหรือจิตใจของเรานี้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ ว่ามันเกิดจากอะไรสิ่งนี้จะไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองจะมีผู้คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถค้นหาปิิศนาหาคำตอบของปิิศนาอันนี้ได้ว่าอะไรที่พาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้า ซึ่งการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็เป็นของที่ยากมากเพราะจะหาคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้ได้นี่เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรล อ, ล, อลองทิ้งเข็มลงไปในมหาสมุทรเดแล้วไม่บอกจุดของเข็มว่าอยู่ตรงไหนแล้วให้ไปแข่งขันไปงมกันหากันนี จะมีใครสามารถหาได้มากอันนี้ก็เหมือนกันการที่จะพบกับคำตอบของปริศนาของชีวิตว่าชีวิตของพวกเรานี้เกิดมาได้อย่างไรนะเกิดมาแล้วเราควรจะทาอะไรเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาของชีวิตคือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการมาเกิดนี้ ไม่มีใครที่จะสามารถค้นหาคำตอบอันนี้ได้นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเช่นในยุคสมัยปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ที่มีพระบรารมีสูงส่งได้สะสมบุญบรารมีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนมีสติปัญญา ความรู้ความสามารถที่แหลมคมที่ฉลาดที่สามารถมองเห็นถึงปัญหาต่างๆของตนเองได้นะเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาคำตอบของชีวิตได้คำตอบที่จะมาแก้ปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจได้หลังจากที่ได้ทรงออกบวช เราได้ส่งศึกษาได้ปฏิบัติเบื้องต้นก็ไปศึกษาปฏิบัติกับผู้รู้ต่างๆก็ไม่มีใครรู้คําตอบของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามันเกิดจากอะไรและจะหยุดมันได้อย่างไรก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดก็ทรงค้นพบ เหตุที่พาให้จิตใจของพระ อ, องค์นี้ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆว่ามันเกิดจากตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดภาพะนี้ความอยากในลาบยศสรรเสริญนี้เองที่เป็นตัวที่พาให้ใจนี้หิวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ สิ่งที่ได้มาคือลาบยศสรรเสริญสุขรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็เป็นของที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังไม่พอได้ร้อยก็อยากจะได้พันหนึ่งได้พันก็อยากจะได้หมืนได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้าน วันก่อนมีข่าวออกมาเศรษฐีอันดับสิบสิบอันดับของโลกของประเทศไทยอันดับหนึ่งนี่มีทรัพย์สินหนึ่งล้านล้านหนึ่งจุดกว่ า, าล้านล้านบาทก็ยังไม่พ อ, อยังยังหากันอยู่นั่นยังรู้จะหาไปทำอะไรหาไปแล้วมันทำให้มันจะทำให้เกิดความสุขเพิ่มมากไปกว่า น, นี้หรือเปล่า มันก็ไม่เพิ่มไป ม, มากกว่านี้หาได้เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอแต่มันอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะความสุขที่ได้จากการหาเงินหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านบาทมาแล้วนี้มันหายไปแล้วมันมีแต่ตัวเลขมันมีแต่ทรัพย์สินแต่ความสุขที่ได้จากมันนี้มันหายไปแล้วมันได้ตอนที่ได้มาเท่านั้นเองตอนที่ได้มานี้ก็มีความสุขดี แล้วพอไม่ไม่สักพักเดียวมันก็หายไปแล้วมันทำให้ต้องหาเพิ่มอีกอ น, นี่ค็คือลักษณะของโลกธรรมทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสผธพาชนิดต่างๆหามาได้มากน้อยเพียงไรหาได้ปั๊บความสุขที่ได้จากมันมานี่ได้ปั๊บเดียวเหมือนเหมือนควันไฟได้ปั๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไป ทำให่อยากจะต้องหาขึ้นมาใหม่อันนี้ตัวที่ทำให้ต้องหาอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากคือเพราะสิ่งที่ได้มามันก็ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอให้มาแล้วมันก็ให้ได้เพียงชั่วคราวให้ความสุขเพียงชั่วคราวแต่ความอยากนี้อยากจะมีความสุขอย่างถาวรก็ต้องหาไปเรื่อยๆหาไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ อีกสิบปีข้างหน้าอาจจะมีทรัพย์สินเป็นส อ, สองล้านล้านขึ้นไปก็ได้มันก็เหมือนเดิมอยู่ดีใจก็ยังต้องตะเกียดตะกายคอยหามาอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละเป็นปัญหาที่สัต์โลกโดยเฉพาะมนุษย์นี่มาเจอกันก็คือหาความสุขเท่าไหร่ก็ไม่สามารถได้พบกับความอิ่มความพอ ไม่พบกับความสุขที่ยั่งยืนที่อยู่คู่ไปกับใจไปตลอดเป็นความสุขแบบควันไฟสังเกตเห็นควันไฟไหมอพอมันผ่านมาปั๊บเดียวมันก็ผ่านไปจุดจุดไฟขึ้นมาปั๊บเกิดควันไฟควันไฟมันก็ลอยขึ้นไปแล้วก็หายจางหายไปความสุขที่เราได้เสพกันจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสรรเสริญก็เป็นแบบนั้นได้มาปั๊บ ความสุขก็เกิดขึ้นปับ๊บแล้วปั๊บเดียวความสุขนั้นก็หายไปต้องหาความสุขแบบใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยอันนี้แหละเป็นตัวที่พาให้ใจนี้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยและการเกิดแต่ละครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าจะเจอแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะโลกนี้มันมีทั้งสองด้าน ด้านสุขก็มีด้านทุกข์ก็มีเวลาสุขคนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาทุกข์นี่บางทีทุกข์มากๆนี่ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายคิดถึงความทุกข์ก็แล้วกันคนเราธรรมดามีใครอยากจะตายกันบ้างถ้าไม่มีความทุกข์ไม่มีใครอยากจะตายกันหรอกแต่ที่อยากจะฆ่าตัวตายกันเพราะว่ามันทุกข์จะต้งทนไม่ไหวนั่นเองมันถึงอยากจะคิดฆ่าตัวตายกัน แต่การฆ่าตัวตายนี่ก็ไม่ได้เป็นการแค่ปัญหาเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายที่เราไปฆ่าตัวที่เราต้องฆ่าก็คือตัวความอยากนี่ตัวความอยากนี่เป็นที่ตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราเวลาที่เราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้หรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เรามีไป มันจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจถ้ายะฆ่าเราต้องมาฆ่าตัวความอยากนี่ที่เรียกว่ากามาตัญหากามาตัญหาเนี่ยเป็นตัวที่พาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเราต้องมาฆ่ามันให้มันหมดไปจากใจของเราให้ได้อันนี้แหละคือภารกิจที่แท้จริงของพวกเรา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันมากระทำกันถามว่าชีวิตเราเกิดมาทําไมชีวิตของเราเกิดมาเพื่อมาหยุดการเกิดเพราะการเกิดมันจะนําไปสู่ความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการต้องไปสัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะเวลาที่มันเสื่อมความทุกข์ที่ต้องเกิดจากความเสื่อมของลาบยศสารเสริญ ความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายเวลานั้นมันจะมีความทุกข์มากไม่ว่าจะมาเกิดดีสูงขนาดไหนเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์หรือมาเป็นขอทานความทุกข์ทางร่างกายนี้มันเท่ากันความทุกข์ทางลาบยศเสริญสุขมันก็เท่ากันทุกคนต้องสัมผัสเจอกันทั้งนั้นไม่ว่าจะรวยขนาดไหนหรือไม่รวยก็ตาม จะต้องเจอกับความเสื่อมของลาบยศสรเสริญสุกกันทุกคนเวลาเจอแล้วก็ mm. ก็จะรู้ฤทธิ์ของมันว่าเป็นอย่างไร mm. เวลาที่เจอปัญหาต่างๆนี้มันก็คือความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุกนี่ mm. แล้วเราก็ไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ที่สิ่งมีปัญหากับเรื่องเงินก็ไปแก้ที่เรื่องเงินมีปัญหากับเรื่องยศตาแหน่งก็ไปแก้กันที่นั่น แค่เท่าไหร่มันก็อีหลอดเดิมมันก็กลับมาเจอปัญหาเดิมเงินหมดก็ไปหาเงินมาใหม่ได้เงินมาใหม่ใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดอีได้ตําแหน่งแล้วถูกโยกย้ายถูกเลื่อนอถูกถูกอะไรลงถูกปล ด, ดออกอก็ไปหาตําแหน่งใหม่ได้รางวี่รางวัลอะไรมาพอไม่ได้ก็ต้องดิ้นลนไปหากันใหม่ได้เสพ ร, รูปเสียงกินรถมาพอมันหายไปก็ต้องไปเสพใหม่ ชีวิตต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยๆเพราะอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เวลาอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจถ้าอยู่เฉยๆนานๆเขาอาจจะถึงเกิดความซึมเศร้าขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากจะฆ่าตัวตายกันแล้วถ้าฆ่าตัวตายนี่แทนที่จะแก้ปัญหามันกลับไปสร้างปัญหาไปสร้างบาปให้กับตนเองไปสร้างความ ความทุกข์ที่จะต้องไปอยู่ในนรกนานต่อไปอีกวิธีแก้ปัญหาอย่าไปแก้ที่การฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายไม่ว่าจะฆ่าร่างกายของเราหรือฆ่าร่างกายของคนอื่นนี้ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาปัญหานี้เราจะต้องมาแก้ที่ความอยากและการที่เราจะแก้ความอยากนี้ได้นก็ต้องอาศัย ผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้ามาสอนเราว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะสามารถตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจของเราให้ได้พระพุทธเจ้าผู้ทรงได้ปฏิบัติมาทดลองมาแล้ววิธีการต่างๆจวในที่สุดก็ท่งคนพบวิธีที่สามารถที่จะกาจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ จึงนํามามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะแก้ปัญหาของชีวิตของตนวิธีแก้ปัญหาของชีวิตก็ต้องหยุดความอยากที่เป็นตัวที่พาให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมา แกมาเจ็บมาตายไม่ต้องมาสัมผัสกับความทุกข์ของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหายไปหมดไปต้องมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราแก้ปัญหานี้ได้ก็คือการไม่กลับมาเกิดและการที่จะกลับไม่กลับมาเกิดได้นี้เราต้องมาหยุดความอยากของเราหยุดความอยาก ในการที่จะมาหาความสุขจากโลกกระทำทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องหยุดแต่ขณะนี้เราไม่มีเครื่องมือกันเครื่องมือที่เราถึงแม้เราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะพาให้เรากลับมาเกิดพาให้เรามาทุกข์กันแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่เรา สู้มันไม่ไหวพอมันอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนนี่พอตอบสนองความอยากได้นี้จะรีบจะรีบรับใช้มันทันทีพอมันสั่งบอกให้ไปหาไอ้นั่นมาดูไปหาไอ้นั่นมาฟังหาไอ้นั่นมากินมาดื่มพอเกิดความอยากเท่านั้นน่ะมันจะต้องตอบรับทันทีเพราะถ้าไม่ทำตามนี้ความอยากมันจะสร้างความหดหงิด สร้างความลำคาญใจสร้างความวุ่นวายใจสร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้น ท, ทันทีจนกระทั่งทนไม่ไหวอยู่เฉยๆไม่ได้สู้ความอยากไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือแต่ถ้าเราได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะสงสอนให้เราสร้างเครื่องมือขึ้นเครื่องมือที่เราจะใช้ต่อสู้กับความอยากเวลาที่มันเกิดความอยากนี้เราจะต่อสู้มันด้วยอะไรบ้าง ความอยากมันก็มีมาหลายแนวหลายหลายช่องทางด้วยกันเังนนเครื่องมือที่ต่อสู้ความอยากมันก็เลยต้องมีหลายหลายชนิดด้วยกันความจริงก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือทานสิงสมาธิและปัญญาอันนี้เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าได้ทรงใช้ในการต่อสู้กับความอยากต่างๆ ถ้ามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถที่จะสู้กับความอยากที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆได้เช่นถ้าเราเกิดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆเช่นมีการแสดงอะไรต่างๆอยากจะไปดูอยากไปดูมันก็เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ เพราะเรามีสตังเราก็สามารถที่จะไปจองตั๋วได้วิธีที่จะแก้ความอยากอ น, นี้ก็คือเอาเงินที่เราจะไปซื้อตั๋วนี้ไปทาบุญแทนเอาไปทาบุญเอาไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ยากได้ยากตกทุกข์ได้ยากคนที่ตกทุกข์คนที่ไม่มีกินไม่มีอะไรเดือดร้อนเช่นพวกขอทานหรืออะไรก็ตามเถิด อย่าไปมองว่าเขาเป็นคนที่ชอบเป็นคนยากจนเป็นคนเกียจค้านไม่มีใครอยากจะเป็นคนยากจนหรอกแต่การมาเกิดของคนเหล่านี้มันมีวิบากกรรมที่ทํามาไม่เท่ากันทุกคนอยากจะรวยอยากจะขยันกันทั้งนั้นแต่บางทีมันมันไม่มีมันไม่มีบุญเก่ามาสนับสนุนมันมีแต่บาปมางก็ต้องมาเกิดแบบยากจนเกิดแบบเหมือนกับคนที่เกียจ ความจริงเขาอาจจะไม่ขี้เกียจแต่เขาไม่รู้จะเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะสอนให้เขาเพึ่งตัวเขาเองได้เขาก็เห็นวิธีพึ่งตัวเองแบบง่ายๆก็คือเป็นขอทานไปเท่านั้นเองอเราอย่าไปใช้เหตุว่าเขาเป็นคนขี้เกียจไม่ควรจะส่งเสริมเขาแล้วมันจะทําให้เรานี้ไม่ได้ทําบุญกันการทําบุญของเรานี้มันเป็นเครื่องมือไว้ต่อสู้กับความอยาก ความอยากที่จะใช้เงินหาความซื้อความสุขทางตาหูจมูกเส้นกายนี้เองเห็นอะไรของสวยๆงามๆเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าหรือเห็นของใช้ไม่สอยอะไรต่างๆที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อเลยไม่ต้องมีเลยก็ตามแต่พอมันเห็นแล้วมันก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราส่งเสริมไปซื้อมันเราก็จะส่งเสริมความอยากส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดของเรา การทำบุญทำทานของเรล่านี้มันถึงแม้จะช่วยคนอื่นให้เขาได้อยู่ดีกินดีขึ้นแต่ความจริงนี้มันช่วยเรามากกว่าเราช่วยเขาเราช่วยลดความอยากลงได้ก็เท่ากับลดกําลังที่จะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเอง ต, ต้องมองอย่างนี้เราถึงจะกล้าทำบุญกล้าทำทานกันแต่ถ้าเราจะไปมองว่าโอ๊ยเราไปส่งเสริมให้เขาขี้เกียจทาให้เขา ไม่ดิ้นรนต่อสู้ถ้าคินอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสของความอยากของเราเนี่ยมันพยายามที่จะหาเหตุผลไม่ให้เรามา <c oughs> สู้กับความอยากของเราม า, มาทําลายความอยากของเราเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราไม่ชอบทําบุญกับคนยากจนก็ทํากับที่อื่นก็ได้มีองค์กรที่มีคุณประโยชน์ต่ อ, ตอสังคมก็ได้ศาสนาก็ได้ โรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ถ้าเราอยากจะ <c oughs> ทำบุญที่เราคิดว่ามีคนมีประโยชน์ <c oughs> แต่เป้าหมายของเราข อ, ของการทำบุญก็คือเราจะต้องการเอาเงินที่เราจะไปใช้ซื้อกับความสุขต่างๆนี้มาทำบุญ <c oughs> เพื่อเราจะได้ตัดกำลังของการเวียนว่ายตายเกิดของเราให้มันน้อยลงถ้าความอยากมันน้อยลง กำลังที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะน้อยลงไปถ้าเราสามารถกําจัดความอยากให้หมดไปได้จากใจของเรา<ม>ก็จะไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้เรากลับมากิดแก่เจ็บตายต่อไปเฉะนั<ม>้นถ้าความอยากมันอยากจะใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกริ้นกายให้เอาเงินก้อนนั้นไปทาบุญทาทาน กับผู้ใดก็ได้ที่เรามีความศรัทธามีความเนื่อมใสหรือมีความยินดีที่จะทำจะทากับวัดกับวาก็ได้ถ้าเรามีศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <c oughs> เห็นท่านทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้กับโลกให้โลกมีธรรมะแสงสว่างให้อยู่ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบอย่างพาสด เราก็ทําบุญกับวัดก็ได้ <Yeah. S 2> หรือเราจะทําบุญกับโร ง, งเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ mm hmm. หรือเราจะทํากับบุญกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราก็ได้ mm hmm. เช่นบิดามารดาปูา่ย่าตายาย mm hmm. ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย mm hmm. หรือคนที่เขาช่วยเหลือเราเคยช่วยให้ความช่วยเหลือเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยาก mm hmm. พอเราพอมีพอกินเราก็ mm hmm. อยากจะทดแทนบุญคุณ เราก็ทําบุญกับเขาก็ได้เป้าหมายหลักนี้ไม่ได้อยู่ที่การทําบุญกับใครนะเป้าหมายหลักก็คือการสกัดความอยากของเราอย่าให้ความอยากของเรานี้พาให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธทัพาอย่าให้ไปพาให้เราไปหาความการไปหาลาบยศสรรเสริญบางคนพอมีเงินก็อยากจะได้เงินเพิ่มก็เอาเงินไปลงทุนเพิ่ม เอาไปขยายกิจการไปทำอะไรให้ใ ห, ใหญ่โตกว้วางขวางมากขึ้นไปหรือบางคนก็อยากจะเอาไปแสวงหาอำนาจหาตำแหน่งเช่นช่วงที่มีการหาเสียงก็ลงทุนจ่ายเงินไปเพื่อจะได้เป็นมีมีการไปหาเสียงไปให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเราต้องการจะมาสมัครรับใช้ชาวบ้านแต่ความจริงมันต้องการมารับใช้ความอยากของตนเองมากกว่า แต่ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ากับพระระยะสองสาวกเท่านั้นะที่จะรู้ว่าไม่ว่าใครอะไรใครก็ตามใครที่จะทําอะไรนี้มันทํามาจากความอยากของตนเองเท่านั้นเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันหงุดหงิดมันําคาญใจมันต้องหาอะไรทําและเวลาไปทําจริงๆจะมักจะไม่พูดว่าทําเพื่อตนเองนอกจะทําเพื่อชาวบ้านทําเพื่อคนนั้นทําเพื่อคนนี้น โดนหลอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นไปหาเสียงก็หลอกแล้วจะมารับใช้ชาวบ้านก็มารับใช้ช่วงหาเสียงนั่นน่ะเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็หายหัวไปอีกสี่ปีค่อยเจอกันใหม่อันนี้ก็นี่คือลักษณะของการตอบสนองความอยากด้วยการถ้ามีเงินแล้วอยากจะหาสแสวงตำแหน่งหาอำนาจนี่ ไปเป็นสอสอไปเป็นอะไรเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็จะมีอำนาจแล้วสามารถที่จะสั่งการตามความอยากของตนได้ <c oughs> อันนี้ก็คือถ้าเราคิดอย่างนี้ที่จะใช้เงินทองแบบนี้ก็เอามาทําบุญดีกว่าเพราะการทําบุญนี้ไม่ได้สแสวงหาอำนาจไม่ได้สแสวงหาเงินทองไม่ได้สแสวงหาอะไรทั้งสิ้นแสวงอย่างเดียวก็คือการยุติการเกิดแก่เจ็บตายทั้ง น, นี้การตัด กำลังของความอยากให้มันน้อยลงอันนี้เป็นความอยากที่จะใช้เงินทองไปในในทางที่จะพาให้เรากลับมาเวียนร่ายตายเกิดเราต้องหยุดมันอย่าไปทาตามมันเอาเงินที่อยากจะไปหาความสุขเหล่านี้ไปทำบุญทาทานดีกว่าแล้วเราได้เราจะได้ความสุขที่ดีกว่าด้วยความสุขที่เกิดจากทำบุญทาทานนี้มันไม่เป็นเหมือนควันไฟนะ มันเป็นของที่มันสะสมอยู่ในใจของเราแล้วจะเป็นสิ่งที่จะพาให้เราได้ไปสวรรค์ต่อไปเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วใจของเรานี้เวลาตายไปนี้จะต้องอาศัยบุญเป็นที่ให้ความสุขถ้ามีบาปก็จะจะได้บาปเป็นผู้ให้ความทุกข์เพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการที่จะกําจัดความอยากเกี่ยวกับการใช้เงินในวิธีที่ไม่ถูกต้องการใช้เงินเพื่อส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดอย่าใช้เงินเพื่อไปหาลาบยศสารเสริญหาความสุขเพิ่มเติมขึ้นมาควรจะตัดมันด้วยการเอาไปทําบุญทําทานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้แล้วแต่ที่เราจะยินดีที่เราทําแล้วเราเกิดมีความรู้สึกมีความสุข บางคนทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็มีความสุขบางคนทำบุญกับพ่อแม่ก็มีความสุขพาพ่อแม่ไปทำอะไรที่จำเป็นเช่นพาพ่อแม่ไปหาหม อ, เ, อเลี้ยงดูพ่อแม่หาอะไรมาให้พ่อแม่มีความสุขก็ทำไปได้ทั้งนั้นขอให้เราทำบุญกันเพื่อเราจะได้ตัด ความอยากในการที่จะใช้เงินทองไปสร้างการเวียนว่ายตายเกิดของเราให้มีมากขึ้นถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งต่อไปเราจะไม่ใช้เงินทองเพื่อไปห า, าะลาภยศสารเสริญสุขอีกต่อไปเราก็ปิดทางของการกลับมาเกิดเราได้ช่องช่องทางหนึ่งแนละ้วคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้ด้วยด้วยการทำตามความอยากใช้เงินทองต่างๆ การทางมีไว้สำหรับใช้กับของจำเป็นจำเป็นจะต้องมีเช่นเราทุกคนต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยอันนี้เราต้องหากันต้องดูแลร่างกายของเราเพราะถ้าร่างกายของเราตายไปก่อนที่เราจะทำงานนี้สาเร็จเราก็จะพลาดโอกาสที่ดี เราต้องเลี้ยงดูร่างกายเราเพื่อเราจะได้เอาร่างกายนี้มาใช้ต่อสู้กับการหยุดความอยากต่างๆด้วยการทำบุญทาทานถ้าเรามีเงินมากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายเราอย่าให้เอาเงินนี้ไปใช้กับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสให้เอามาใช้กับการทำบุญทาทานแล้วต่อไปความอยากที่จะใช้ เงินทองหาความสุขจากลาบยศสารเสริญมันก็จะหมดไปช่องหนึ่งแล้วช่องต่อไปก็คือเราต้องไป <c oughs> หยุดความอยากที่มันยังมีอยู่ความอยากที่จะไปทําร้ายผู้อื่นเวลาที่เกิดความโกรธแค้นก็ดีหรือเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ดีเราจะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการไปเบียดเบียนผู้อื่น เช่นไปฆ่าผู้อื่นไปรักทรัพย์ไปประพฤติถิตประเพณีไปพูดปดไปโกหกหลอกลองวงโดยการไปเสพชลายาเมาอันนี้เราก็ต้องห้ามอย่าทําตามความอยากเหล่านี้เพราะถ้าไปทําแล้วมันจะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราแล้วก็จะทําให้ใจของเรานี้เวลาตายไปต้องไปเกิดในอบายไปเวียนว่ายตายเกิดในอบาย ซึ่งไม่ใช่เป็นที่ที่เราอยากจะไปกันเหมือนไปติดคุกติดตารางกันก็ต้องพยายามรักษาศีลกันเพื่อจะได้หยุดความอยากที่ไม่ดีเหล่านี้อยากเบียดเบียนผู้อื่นอยากแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้อย่าทำกันหยุดมันก็นเราก็จะได้ปิดช่องของความอยากได้อีกช่องหนึ่งอย่าไปทำตามความอยากที่จะพาให้เราต้องไปทำบาป จะทำอะไรก็ถ้ายัางต้องทำอยู่ก็ทำด้วยวิธีที่สุดจริญที่เรายังต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อ ง, องก็หากินด้วยวิธีที่สุดจริญอย่าไปหากินโดยที่ไปทำให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนไปช่อโกงไปหลอกลวงตามที่เราคงได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี้วิธีหากินใหม่ๆของคนที่อยากจะหาเงินด้วยวิธีทำบาป หลอกลวงคอเซนเตอร์อะไรพวกนี้เว็บต่างๆหลอกให้เราลงทุนบ้างอะไรบ้างวิธีการเหล่า น, นี้เป็นการกระทํำบาสนะก็เป็นการ ส, งส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดให้เรากลับมาเกิดเป็นคนบาปอยู่เรื่อยๆเป็นคนใจบาสมาทําแต่สิ่งที่เป็นเรื่องร้ายเสียหายต่อผู้อื่นแล้วเวลาตายไปก็ยังต้องไปรับโทษในในคุกตารางคือในภพของอบายต่างๆอีก เพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําเวลามีความอยากที่จะฆ่าก็ดีรักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดประเพณีก็ดีพูดปดก็ดีดื่มสุราของมึนเมาเสพยาเสพติดก็ดีเราต้องห้ามปลามจิตใจเพราะมันไปใช่ทางที่จะแก้ปัญหามันเป็นทางที่จะไปสร้างความทุกข์สร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้มีต่อไปอีกยาวนานเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้แล้วสองขั้นแล้วเราต้องไปหยุดความอยากขั้นที่สาม พอถึงแม้แว่าเราจะทำบุญทำทานรักษาสี่งแล้วเราก็ยังมีความอยากอย่างอื่นอยู่อย่างอยากอยางอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆอยู่อันนี้เราก็ต้องหยุดมันด้วยการทำใจให้สงบนิ่งไปฝึกนั่งสมาธิกันใช้สติสตินี้เป็นเหมือนกับตัวควบคุมความคิดถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดได้ ถ้าเราหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจเราก็จะนิ่งจะสงบเป็นสมาธิได้พอความคิดหยุดจิตนิ่งสงบไม่มีความคิดความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดเลยทีนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้ไปตลอดเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่เนื่องจากกำลังของสมาธินี้มันยังเป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเราอยู่ได้สมาธิในระยะหนึ่ง เดี๋ยวเราก็ต้องถอนออกจากสมาธิมาพอเรามาถอนเรามาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีกมีวิธีที่จะแก้เวลาที่ออกจากสมาธิแล้วเกิดความอยากพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราใช้ปัญญาให้เราสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆมันเป็นทุกข์เพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มามันเป็นสุขจริงแต่มันเป็นสุขเดียวเดียวแล้วมันก็หมดไปเราก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์อันนี้ต้องให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมไปสั่งให้มันอยู่ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้มันให้ความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาต่างๆแต่เราจะมีความสุขที่ดีกว่าถ้าเราหยุดความอยากของเราได้เพราะเวลาที่ใจเราไม่มีความอยากนี้ใจเราจะนิ่งจะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่ า, วาความสุขทั้งปวงนี่คือขั้นของปัญญาที่เราจะใช้ในการที่เราจะ ทำลายความอยากที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันได้อย่างถาวรแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นปัญญาได้เราก็ต้องทาไล่ขึ้นไปจากขั้นต่ำก่านทำจากขั้นทานก่อนเพราะมันง่ายมันมีความง่ายยากต่างกันขั้นทานนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดเวลาอยากจะเอาเงินไปซื้อความสุขก็เอาไปทาบุญทำทาน แล้วก็มาขั้นที่สองคือขั้นศีลเวลาอยากจะหาความสุขด้วยการทำบาปก็ใช้ศีลเป็นเครื่องหยุดมันแล้วเวลาที่อยู่เฉยๆใจก็ยังหงุดหงิดยังเดินอยากจะหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ต้องใช้สติใช้สติมาหยุดความคิดหยุดความอยากทำใจให้นิ่งสงบนั่งสมาธิ ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปดูดลมหายใจเข้าออกไปถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็นิ่งสงบแล้วความอยากก็จะหายไปแต่มันจะหายแบบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเริ่มไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ตอนนั้นพอเกิดความอยากถึงเรื่องอะไรก็มองถึงเรื่องนั้นให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เพราว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วเราไปควบคุมบังคับให้มันเป็นของถาวรไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ถ้าเรามองเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นทุกทุกเพราะว่ามไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เราก็จะได้ไม่มีความอยากได้อะไรพอเราตัดความอยากออกไปได้ใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรอันนี้เป็นวิธีกําจัดความอยากอย่างถาวร ต่อไปความอยากทุกชนิดไม่ว่ามันจะเป็นชนิดไหนพอมันเกิดขึ้นมาเราก็ใช้วิธีของปัญญานี้ไปทุกครั้งไปแล้วความอยากต่างๆมันก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วไม่มีความอยากของเหลืออยู่ในใจของเราอีกต่อไปแล้วทนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพาให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปแล้วมันก็เป็นร่างกายสุดท้ายของเราเราจะไม่มามีร่างกายใหม่แล้ว ตอนร่างกายแต่ละร่างนี้มันมีแต่ความทุกข์ผสมมาด้วยทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายนี่แหละคือภารกิจของชีวิตของพวกเราทุกคนว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อมาหยุดการเกิดนั่นเองและการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากทำลายความอยากให้ได้และเครื่องมือที่เราต้องมีเพื่อที่จะามาใช้ในการทาลายความอยากก็คือ การทำทานการรักษาศีลการฝึกสมาธิและการเจริญปัญญาถ้าเราสามารถสร้างเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมาได้เราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วใจของเราก็จะไม่มีอะไรพามาให้เรากลับมาเกิดกันอีกต่อไปเราก็จะอยู่ในโลกทิพย์แบบสบายไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด ใจที่ไม่มีความอยากนี่เราเรียกว่านิพานไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจิตใจจิตใจนี้มีสองลักษณะจิตใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดเราเรียกว่านิพานจิตใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราเรียกว่าวัฏสงสารจิตใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารวัฏจิตวัฏจักรส่วนใจที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็เรียกว่านิพานเท่านั้นเอง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 เหติต่างปฏิต่างตุมหังคิปเป็นวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจัน so ทุปนาราโสยธาเมณิโชติาราโสยธาสัพพิต so ิยวิวาจันตุสัพพโลควินสศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทนาสิลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติอายุวันโสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย อยากเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่ข้อความส่งเข้ามาก็ได้ทางถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่พี่นพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้ทั บ, บฟังธรรมาหน้ากุดจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ509ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์280ย YouTube Dr V Channel 69ิวิทยุออนไลน์6กคลับเฮาส10หน้ากุด88รวมทั้งหมด962ท่านค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้คำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะ มีสองคำถามค่ะคำถามแรกโยมปฏิบัติมาถึงจุดที่เข้าใจว่าต้องสละทางโลกจึงจะไปทางธรรมได้เพราะทางโลกนั้นจะเอาอะไรไปไม่ได้เมื่อสละทางโลกแล้วจึงตักตวงทางธรรมได้โยมเข้าใจถูกต้องไหมคะถูกแล้วถูกทุกค น, นถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาก็ต้องไปทันทางธรรมทางโลกก็มันก็จะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ คำถาม ท, ที่สองค่ะโยมเพิ่งรู้จักรูปและนามค่ะรูปก็คือที่เราเห็นส่วนนามนั้นไม่เห็นโยมเห็นความไม่เที่ยงของรูปค่ะแต่ยังไม่เห็นความไม่เที่ยงของนามแต่พอจะรู้ก็ตอนไปสัมผัสพอมีการสัมผัสโยมสังเกตตัวเองว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ทั้งสองอย่างนั้นมันล้วนปรุงแต่งขึ้นเกิดสักพักก็ดับไปโยมจึงยับยังชั่งใจว่าพอพอไม่ควรปรุงแต่งอยู่กลางก แล้วเหตุการณ์ น, นั้นก็ผ่านไปยยมปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วพยายามอยู่เฉยๆให้เหตุการณ์นนต่างๆเขามาแล้วไปของเขาเองเราอย่าไปจัดการเขาเพราะจะทำให้เราวุ่นวายใจเวลาที่เราจัดการกับเขาไม่ได้ค่ะคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ กระผมใส่บาตรพระตอนเช้าสามารถถวายปัจจัยได้ไหมครับเพราะมีหมอดูที่เห็นผีเทวดาเจ้ากรรมในเวรเขาบอกว่าใส่เงินไม่ได้เขาไม่รับจะทำบุญยังต้องจ้างพระขอคำอธิบายครับการถวายเงินให้กับพระนี่ก็ต้องถามพระก่อนก็สมัยนี้มีพระที่รับเงินได้กับพระที่ท่านไม่รับเงินก็ต้องถามว่าท่านรับเงินได้ไหมท่านรับเงินเองได้ไหมหรือท่านต้องให้ ฝากลูกศิษย์ไว้พระเดี๋ยวนี้มีสองอย่างเพราะพระบางอย่างบางลูกท่านไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าตามปกติแนละ้วพระจะรับเงินกับมือไม่ได้แต่รับโดยผ่านทางลูกศิษย์ได้ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์เวลาพระต้องการที่จะใช้เงินซื้อข้าวของที่จําเป็นก็บอกลูกศิษย์ไปซื้อให้แต่ไม่ให้พระเป็นผู้ไปซื้อเองหรือไปผู้พกพางเงินทองเก็บเอาไว้เองเพราะมันจะเป็นอันตรายน พระรับได้แต่ต้องรับโดยตามกติกาของพระก็คือต้องให้มอบไว้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาจะเก็บรักษาไว้ให้ถ้าลูกศิษย์ซื่อสัตย์นะถ้าลูกศิษย์ไม่ซื่อสัตย์บางทีก็ถูกโกงได้เหมือนกั น, ะนะคำถามจากทางยู u b e ค่ะกลับเรียนถามพระน้อมกราบในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ กลับเรียนข้อสงสัยเจ้าค่ะถามว่าปัจจัยที่จะทำให้ร่วงพ้นความทุกข์นั้นคือความเพียรลูกเข้าใจถูกต้องไ้ยเจ้าค่ะคือเพียรอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพียรเพียรเพื่อปฏิบัติทานเพียรทำบุญทำทานเพียรรักษาศีลเพียรนั่งสมาธิแล้วเพียรศึกษาทางปัญญาให้เห็น เห็นกฎของไตรักให้ได้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไว้ไม่ได้ต้องเพียรแบบนี้ถ้าไม่เพียรไม่ไ ม, ไม่ไม่ขยนันไม่ทำมันก็ไม่ได้ร okay. คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะหากเราไม่มันรูรทมในชาตินี้สิ่งที่เราเคยได้เรียนมาหรือปฏิบัติมาจะหายไปหมดไหมครับหรือต้องรอได้ฟังธรรมอีกครั้งถึงจะเริ่มปฏิบัติต่อไปได้อีกครับถ้ายังไม่ถึงพระอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบานันในธรรมะก็อาจจะหายจางไปได้เพราะยังไม่เข้าไปในใจยังเป็นสัญญาความจาอยู่ แต่ถ้าได้ปฏิบัติ บ, ตบรรลุเป็นพระสวสดาบันขึ้นไปแล้วธรรมะที่ได้เรียนรู้นี้มันจะฝังอยู่ในใจค่ะคำถามจากทางเฟซบุกค่ะชอบปฐมพุทธพาสิทธคาถามากค่ะถ้านึกบ่อยๆในใจจะเป็นธรรมารู้สติกรมฐานได้หรือไม่คะก็แล้วแต่ว่ามันเป็นพุทธพาสิทธอันไหนเพราะทาง ธรรมนุสติที่เราต้องการก็คือให้เรานึกนึกถึงกายเวทนาจิตว่าเป็นใตรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาถึงจะเป็นสติปัฏฐานได้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะกับเรียนพระอาจารย์พอเข้าสมาธิแล้วว่างโล่งปร่งสบายออกจากสมาธิสักพักรู้สึกจิตมองมองก็พยายามเข้าใหม่ควรทำให้สมาธิให้มากหรือเดินปัญญาเลยดีครับถ้ายัางเดินปัญญาไม่เป็นก็ทำสมาธิไปก่อนถ้าหากใช้ปัญญาได้ก็ลองฝึกใช้ปัญญาว่าความเศร้ามองก็เกิดจากความอยากลองค้นหาดูตอนนั้นเศร้ามองเพราะอะไร อยาให้คนรักเราอยู่กับเราเป็นนานๆใช่ไหมพอดีตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้ก็ออกมาจากสมาธิก็มาคิดถึงเขาก็ทำให้เศร้าหมองถ้าไม่อยากจะเศร้าหมองก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาก็เป็นตายักเขาไม่เที่ยงเขาเกิดแก่เจ็บตายวันใดวันหนึ่งเขาต้องถึงแก่ความตายเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ ถ้าเราปล่อยได้ยอมรับว่าในที่สุดก็ต้องตายความเศร้าหมองก็จะหายไปถ้าเราใช้ทางาคิดทางปัญญาได้ก็คิดไปถ้ายังคิดไม่ได้จิตยังเศร้าหมองอยู่ก็ใช้สติพุโทโธพุธโทโธรู้กลับเข้าไปสมาธิต่อไปก่อน น, นะรับความคิดถึงเขาคิดถึงเรื่องของเขาพอคิดถึงเขาทีไรแล้วทำให้เราเศร้าคาถามจากทางยู u b e ค่ะ การสร้างพระโบสถ์วิหารมีความสำคัญอย่างไรควรสร้างอย่างไรจึงจะมีประโยชน์สูงสุดคะคือความจริงเนี่ยทางาศาสนาสิ่งที่าศาสนาจำเป็นจริงๆก็คือปัจจัยสี่ไว้สำหรับให้กับนักบวชที่มาบวชสามารถที่จะอยู่อย่างปกติสุขเพื่อที่จะใช้ร่างกายนี้ไปกับการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อให้หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่จะเกิดจากการหลุดพ้นนี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปดังนั้นถ้าสังเกตดูถ้าไปตามวัดป่าจะไม่ค่อยมีถาวรวัตถุเท่าไหร่มีอย่างมากก็ศาลาไว้สำหรับเป็นที่มาประชุมเพราะต้องทากิจร่วมกันเช่นมาขบฉันอาหารแล้วก็ให้ญาติโยมมาทาบุญญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออบรมพระอันนี้ก็เป็นที่อย่าง ที่พอหลบแดดหลบผลได้ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องยิ่งใหญ่โตพระวัดป่าจริงๆท่านต้องท่านท่านคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยความงามความหรูหรา mm. อนนี้ก็มีเท่านี้แหละนอกจากศาลาในวัดแล้วก็มีกุฏิกุฏินี้ก็จะเป็นกุฏิที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันจะอยู่ห่างๆกันเหมือนกับว่าเวลาพักนี้จะมองไม่เห็นกุฏิกัน แต่ได้เหมือนกับอยู่คนเดียวปีกวิเวกอยู่ในป่าคนเดียววัดป่าก็มีวัดศาสนาความจริงต้องการของศาสนาก็มีแค่นี้ดูยุค ข, ของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีถาวรและวัตถุอะไรมากมายพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งให้ใครสร้างนู่นสร้างนี้เลยมีแต่คนศรัทธาอยากจะสร้างก็สร้างสํานักให้ท่านอยู่ท่าสร้างกุฏิให้ท่านอยู่เพราะพระพุทธเจ้าท่านจะจาลิกไปสั่งสอนตามที่ต่างๆ เราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พักอาศัยเขาก็สร้างที่พักอาศัยให้อยู่ต่นนั้นเองอันนี้คือฐาวัลวัตถุที่จําเป็นต่อศาสนาแต่เรื่องโบวชเรื่องเจดีย์นี้มันไม่มีความจําเป็นแต่จะสร้างก็ไม่ห้ามนะเดี๋ยวจะหาว่าเรามาเป็นคนคนคนขวางโลกไม่ใช่นะอยากจะทําก็ทําไปแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์ใช้สอยความจําเป็นจริงๆมันไ ม, ไม่มีก็ได้ ยังไม่มีคำถามค่ะไม่มีน ะ, ะอ๋ม อ, อมาแล้ว่ะถ้าอยากจะทำนิบรรุงพระพุทธศาสนาก็เอาเงินไปซื้อที่ปลูกป่าแล้วก็สร้างกุฏิกระตอบให้พระปฏิบัติไปอยู่กัอน อ, อันนี้จะได้ประโยชน์กว่าเพราะว่าเรากำลังเข้าถึงเนื้อของศาสนา เรื่ของศาสนาอยู่ที่การศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรม <Okay. S 1> บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ <Okay. S 1> แล้วก็จะได้เอาพระอริยสงฆ์นี้มาสั่งสอน <Okay. S 1> แต่ถ้าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวระพุทธรูปท่านสั่งสอนเราไม่ได้นะอย่างมากก็เข้าไปกราบพระพุทธรูป <Okay. S 1> แล้วก็ไปหลงงมงานไปขอ น, นขอนู่นขอนี่ซ <Okay. S 1> ี่แทนที่จะปฏิบัติ <Okay. S 1> ไม่เราไม่ได้ปฏิบัติ เราไม่ได้ศึกษาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอนะไม่ได้ขอว่าพวกเธอมาขอเราเธอต้องการอะไรมาขอเราได้นะอยากจะได้ลูกก็มาขอเราจะให้ลูกอยากจะได้ผัวอยากจะได้เมียก็มาขออยากจะได้ตำแหน่งเป็นนายกก็มาขอเราจะให้ไม่เคยสอนแบบนี้มีแต่สอนให้ปฏิบัติอัาหิอตัอตนโนนาโถ ตอนเป็นที่พึ่งของตอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสอนอย่างนี้ <Okay. S 2> คำถามจากทางยูทูบค่ะเพราะอาหารหันมีวาสนาเทศสั่งสอนโยมทุกรูปไหมครับอย่างเช่นหลวงพ่อบางท่านที่อัธิเป็นพระธาตุแต่ท่านก็ไม่เคยเทศหรือไผแพระธรรมมะเลยค่ะ เรื่องความสามารถเผยแปลสั่งสอนนี้เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละองค์ที่มีมากน้อยไม่เท่ากันเหมือนอาจารย์ที่สอนในมหาลาัยหรือในโรงเรียนนี้จะบางอาจารย์สอนเก่งลูกศิษย์ชอบฟังแล้วเข้าใจบางอาจารย์ฟังแล้วงงก็พระอาหารหันต์บางรูปท่านก็สอนไม่ไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ผู้คนได้เข้าใจหลักธรรมได้อย่างง่ายได้ องค์ท่านก็สอนเก่งมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะ mm hmm. อย่างยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงตามหมาบัวนี่ท่านสอนเก่งท่านมีคนศึกษาจากท่านเยอะหนังสือธรรมะของท่านนี่มีเยอะแยะไปหมดแต่คร mm hmm. ูบาอาจารย์รูปอื่นบางรูปนี้ท่านแทบจะไม่มีคําสอนบันทึกเก็บไว้เลย mm hmm. เพราะท่านไม่สันทัดหรือไม่ถนัดในการสั่งสอน mm hmm. ท่านก็สอนแบบ mm hmm. แบบรวมรวมมา ศีล ส, สมาธิปัญญาทำบุญไปนั่งสมาธิไปรักษาศีลไปแต่จะมาอธิบายว่าล้ทานนี้เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงมันอาจจะไม่มีความละเอียดอพอที่จะสอนได้อันนี้เป็นเรื่อ ง, องความความสามารถพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้สิ้นกิเลสเพราะการสิ้นกิเลสนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจว่าการยาดกำจัดกิเลสทําได้อย่างไรเท่านั้นเอง คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะมีเรื่องที่เคยโกรธใครบางคนมากๆและเราพยายามให้อภัยแต่บางทีความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วไม่ทันก็โกรธขึ้นมาอีกทำให้เราทุกข์อีกขอคำแนะนำค่ะเราต้องมองว่าเราการให้อภัยของเรานี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนที่เราให้อภัยแต่เป็นประโยชน์กับเราเพราะอะไรเพราะตอนที่เราโกรธนี้เราเหมือนเอามเอาไฟไหม้บ้านเราอย่างนี้ เวลาโกรดนี้ใจเราสบายไหมใจเรากินได้นอนหลับหรือเปล่าหรือบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดแค้นอากาตพยาบาทเนี่ยแต่พอเราให้อภัยเขายกโทษให้เขาไม่เอาเรื่องของเราเขาความเครียดแค้นอากขระยาบาทความโกรดนี่ก็จะหายไปใจเราก็กลับมาเย็นกินได้นอนหลับอย่างสบายงนั้นการให้อภัยนี้เราไม่ได้ยกเราไม่ได้ให้เขานะเราให้เราประโยชน์ที่ ที่จริงๆที่จะเกิดนี้เกิดกับตัวเราไม่ได้เกิดกับเขาประโยชน์ที่เกิดกับเขาก็เป็นประโยชน์ผลพลอยได้คือเราไม่ไปเอาเรื่องของเราเขานะแต่ประโยชน์ผู้ที่รับประโยชน์จริงๆก็คือใจของเราเนี่ยใจที่ร้อนระอุด้วยความอาฆาตขยาบเาพอให้อาภาัยได้แล้วใจก็เย็นสบายคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะถ้าต้องการฝึกใจ ฝึกให้ใจไม่แกว่งเป็นกลางไม่ร้อนใจเมื่อต้องพบกับปัญหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องเริ่มฝึกจากสติและสมาธิใช่ไหมเจ้าคะใช่ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้แกว่งถ้าใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้มันก็ไม่แขว่งเช่นเรามีพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่แขว่งเวลาที่มันเห็นสัมผัสรับรู้อะไรมันก็จะเฉยเฉยได้ถ้ามันแกว่งเราก็ต้องใช้พุทโธอยู่ คำถามจากทางย t u b e ค่ะคนที่สร้างพระพุทธรูปสร้างพญานาคให้บุคคลได้กราบไหว้ขอพรกันผู้คนที่สร้างและร่วมสร้างเขาได้บุญกันไหมครับกุศลผลบุญนี้เป็นอย่างไรครับเขาก็ไ ด, ไ ด, ได้ได้บุญจากการทำบุญเสียสละเงินทองของเขาไปอะยนยังไม่มีคำถามค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหม ไม่ต้องเกรงใจนะตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามเดี๋ยวเลิกแล้วอยากเข้ามาถามนะมักจะเข้ามาถามตอนที่เลิกกันไม่มีเวลาที่จะตอบตอนนั้นเพราะว่าต้องทําภาร ก, กิจอย่างอื่นเดี๋ยวคนนั้นจะมาขอถ่ายรูปคนนั้นจะอะไรนะถ้าไม่มีคําถามเราก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ